ภายนอกมันเป็นการพอกที่เหลือภายนในตัวเนี่ยนะครับไม่จําเป็นในการทำลายสูทยายไปได้ช่วยอายะการนั่นกันยุดทันทีแม่ซ่อเผื่อนซ่อมซักซักเลยกลายเป็นเรื่องเรื่องําไปเตี้ยอย่างทั้งหลายที่เห็นเราเห็นนีกต่อหน้าต่อใจมีกิจการแต่งงาน งานแบบโลกๆงานฆ่ากิเลสไม่มีจะ อ, อะไร ม, มาสงบเย็นงานฆ่ากิเลสไม่มีการฆ่ากิเลสให้สงบตัวลงไปต่างหากมันเป็นความสงบเย็นและฆ่ากิเลสให้แหลกแตกกระจายไปต่างหากมันเป็นความสุขที่ราบคาบที่สุดเนี่ยเราเห็นอย่างนั้นเนี่ย มาเมากเขาขาจืดนะไม่ฟาดหน้าแดงมันฝาดผิดกันนะถ้ามันถ้ามันไม่ฟาดแล้วกัดขาลางไปนี่มันไม่มีรถแล้วปูนกัดปากด้วยหน้าแดงผิดกันยิ่งยิ่งแดงเท่าไหร่ยิ่งดีฟาดมีรถค่ะนี่มันถันไปนั่นแนะ่ ทึ้ง อ, อะไรก็ม่เห็นมีปัญหาอะไรหนะมาอ ย, ย, ยามัมีอำนาจบังคับแรงเนภะาษาของหม า, าเกิดมาก็ไม่ได้เกิดกับหมาเลยนะันนี่เหมือนพิเรนนะเราเกิดมามันเกิดกับพิเรนมันถึงแก้ยากอันนี้มันจะไปแก้ยากอะไรที่พี่แก้ยากแล้วมันตั้ง หน้าของตาแก่เนยะก็ยังพอเห็นผลประทางกามรักเะนี่เขตั้งหน้าของตาแก่เนะไม่เกิดอพวามร้อนคำไปคำไปคือาลังที่นี้กำัมีความเป็นตึก็กระดาษเยือกั้งคู ทังบ้างงคุณพลทางนี้ม่ค่อไปนะเราก็คิกถึงขงกางบ้าต้คุน็ยางไเลงคืววไปทงรักตัวอย่างงวไปทก็ี ท่านคิดว่าผมเห็นด้วยการไม่ทำให้เสียแต่ถ้าท่านรู้รสาษาถือโ ด, ดยแล้วไปยิ่งตะว้างขวางผมยันเสีไดายผมไม่รู้ภาษาถือสิถ้ารู้ภาษาถือจะไปวัดฝรั่งหนูหัวคำมัาไปก็ถือเข้าใจไหมสมัยนี้ มันก็ฟาดกบกิเลียร์ฝรั่งหรอพิเลียร์ฝรั่งกขาพิเดียระไทยกิเลียไทยมัาจะเหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะอืึคือถ้าได้ภาษานั้นแล้วเหมือนภาษาของเราเนี่ยเอาจริงเนีใส่กันแหลกเลยพิเลียร์เนแล้วมันแหลกได้คือเข้าใจถึงใจถึงใจใช่ไหมล่ะอันนี้มันดีบื่นให้กันฝากกันไปมันไม่ค่อยเต็นไม่เต็มเลยพูดแล้วมีร่ามแปลมันไม่เหมือนกับว่าถอดออกมานี่กิ้มเลยกิ้มเลย แต่ น, นี่คนกำลังต่งเสริมกิเลสเธอครกับกิเลสเพราะนั้นโลกนันนับวันน้อนจ น, นโดยแบบรรมดาไม่เด็ดสนใจกับอัดกับทมที่จะพอให้สงบพลุมเงย็นเลย มันเหื่อกันไากำลังเพราะฉะนั้นโลกมันถุ่มร้อนเหมือนจะว่าเัาจะพวกประชาชนทั้งหลายคารวะเขาทั่วกันนะให้จะพางเราจนเหื่จนแคบตายก็มีวงกรรมฐานพอั้างหมดแลวบ้างถ้าววงกรรมฐานมันมีศาสนาหน้ากลัวเหมือนกันนะในระยะนี้นะ อันนี้ยังมีที่ยึด อ, นนอันนี้ล้างเอาไว้เพราะอย่างวิ่งเขามาถานสานี่สายเขาแม่สนใจมากอย่างยรู้สึกว่ากระเทวนทั่วประเทศไทยนีน่ทั้งนี้ก็เนื่องจากหนังสื อ, อประวัติขึ้นแล้วก็เล่มเหล่านั้นก็ขึ้นตาตๆมนไปคนเ่าได้อ่าน งทั้งที่เราก็คิดไว้แล้วแต่เจ้นหมาก็มาห้เรามันก็เข้าร่องรอยที่เราคิดไว้แล้วมันถคือว่านังสือเรานี้จะเป็นประโยชน์มากมายเราคิดไปเรียบร้อยแล้วทำให้คนติดใจเปลี่ยนเป็นโลกใหม่ขึ้นมาก็มีไม่น้อยเราคิดอย่างนั้นไหบางคนอาจจะขึ้นหลังในเรื่องมรรคผลผังคับศาสนาแล้วที่มีตัวนังสือนี้ก็มีอยู่มากแล้วจะคิดขึ้นมาเป็นชาติใหม่อย่างนี้ มีมากแล้วก็มีจริงๆเป็นหมายมาบางลาจนโอ้น่าสงสารบางบางลาเขาคิดเขาเขาพูดออกมาตามความรู้สึกเขาคิดอย่างนั้นจริงเขาวอกว่าศาสนาเนี่ยหมดหลังแล้วกว่ามีแต่ตัวหนังสือนี่จะชี้ อ, อ่านดูพระ ด, ดูเดินดูพระปฏิบัติแม้แต่เรื่องของที่ดูไม่ได้เลยกระโดดสังเวชวาง เวลาไปอ่านหนังสือยัีไงนั่นนั่นอ่นนั่นนะคลิกขึ้นมาเลยเป็นเกิดเป็นเกิดเหมือนเกิดชาติใหม่ถูกไมันนายกรคนนี้แหละวะนี่มีมากนะขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็มันก็เป็นกรรมมาหนึ่งเหมือนกันผูก็ว่าดีระยที่พอที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้พอทุกส่วนเรื่องการเรื่องขันมันก็ไม่อ่อนไหวเสีย เป็นอย่างเข้ามาหาเรานี่เราก็รู้เป็นอย่างเมื่อเมก่อสามวังนี้พอเกษตรเข้ามาหกอำเภอมาเล่าอกคนวันนั้นมันพิ่เท่าไหร่เดือนะเป็นมันสาวหรือเป็นอะไรฮึใครก่าขึ้นมาบางบ้างเรืยอ ฮะฮะอืมอืมแค่ไนก็ฟังก็พอประมาณประเทศปนกลางพอเขาเริ่มถามปัญหาเั้ะนใส่เปรียงเข้าไปนี่ต้องเสียงฮากันจึงจึงยินไหมล่ะนั่นคือพอใจมันถึงใจถึงความจริงในการตอบปัญหาจึงสำคัญอยู่มากถ้าจะคุณทรมาจะดีฉันยังเคยพูน ใครผมไม่ล <c ười> th ืมนะเวลาอยู่สองกับอาท่านพูดท่านดูหน้าผมเลยนะตาท่านใส่เวดูอยู่ด้วยกับางทีบัวบางทีเลยนะั้งทีอยู่กันบัท่านว่าเจ้าข่เน่อภาษาทางภาษาเนี่ยเจ้าพูดตามความจริงนะบนะเจ้าทนี่ไข่หาตัวจยากนะบ ท่นย <c ười> MM ังเคยพูดกาบพระนิเจ้าจะเป็นคุณมูลบรีน้อยเนีบัวน้ลยเจ้าเช่อมันถึงใจ่อรแล้วคนว่าไม่ไม่อะไหลเลยจะกานมันท่าผมดีเสียงก่อนนอยเลยแถวตอนนั้นมาแล้ว่ แต่ถ้าจะไม่มีปัญหานั้นแค่ข่อยยกขึ้นเจ้าน้ำบัว น, นะแต่ถ้ามีปัญหาแล้วปัญหาการตอบปัญหาเจ้าเป็นที่หนึ่งว้าอี๋โอ้ยค่อยถึงใจข่อยแล้วกันน้ำบัวตอบรวดเร็วที่สุดปั๊บเลยปั๊บใส่ปั๊บใส่ปั๊บเพราะผมจะแค่เช่นหลวงพ่อเนี่นะท่านทําหน้าที่เองนะพอผมขึ้นมาปั๊บท่านจะเดินตุ๊ ก, ต, ก, ต, กตุ๊๊บตใครจะพูดนะ าจะฟังเทรื่มหาบวญนะวาง่าจะฟังเทรื่มหาบุญนะข่าจะพูดในภานะนัก็เงียบหมดเดินกึกกึ๊กกึ๊กกรอบเปวนแล้วกลับมาท่ฟังเครื่องาท่านฟังแบบกรรมฐานฉหลับตาไปเลยฉันชอบจริงๆแต่ตามเท่าทสังเกตินะเวลาผมเทศน์ชอบจริง ตอนนั้นก็พูดเพราะท่านท่านก็พูดได้เป็นไ่ไปรุ้มท่านจันทร์ท่านก็รุ้มท่าเป็นลูกชายผมนุ้มรื้มท่านใช่ไหมหรือใครเป็นลูกชายแล้วท่านจันทร์ท่านญาติยาติญาติเองถึงมาเป็นลูกชายท่านก็นเป็นพระผู้ใหญ่ท่านพูดได้เห็นไแล้วก็นิ ม, มนต์ท่านจันทร์จันทร์เล่าเนี่ยก่อนนิ ม, มนต์แต่เราไปไม่ได้เราปิดอะไรมนะ ท่านอย่าคุยต้งดีนี่ยยังมาเอาเราอีกเราก็บอกเราไปไม่ได้ท่านเลยไปท่านพูดท่านแล้วก็พูดตจำหลักแล้วก็กครูแทศตามนิสัยอันนี้ท่านพูดเพื่อให้มันถึงใจท่านถึงก็ว่าไปมั้งแต่ใช่ท่านทำนีจริงแล้วก็ไมาทำนี้ในฐานะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็พูดทังนี้ทภาษาผู้ใหญ่ความเปนิิสนะมีเวลาท่านมาเจอเราอบัวหาน ค่อยคิดถึงจจะตายแต่กระวัวคุกันเองชอั้นันเทศนานๆงจะเออขึ้นคำหนึ่งนา น, น, นจะเออคำนึงค่อยไม่ทันใจก็คิดถึงแต่เจ้าแล้วคิดถึงหาวัวไหหรอไปเลย ม, มันสนุกฟังเลยอันนี้อวค่อยจะจหลับานก็พูดนุกกันทัน้งคเคยใช่ไที่เที่ยวผมเคยเจี่ยวเนี่ท่านคุณสลพานท่คุณ น, นี้ท่านเก็เป็นนักเทศนผมก็เคยเทศวัดท่านคุณเนี่ยประการท่านโยคุณจะไปจะดีแล้วประเทคนกรุงเทพเยอะประเทศตามนิสัยของเราเหมุนเตีวเลยลงมาทีละกันยิ้มแต่งแต่เราเทศยังไนะ อะไรมันก็ม่คบขันเหมือนเอาผมประเทศที่เท่าเทนน่ะนะผมเคยพูดใหมู่เ่นฟังขั้นึลยตั้งนั้นมาเห็นผมเจอหน้าผมทีไรท่านจะเอานี่คืึทักทายก่อนเพราะ่นไม่เคยได้ยินผมเทศอย่างนั้นกันคืนระเทศปีนั้นเขาเปิดพุทธสมาคมเป็นครั้งแรกครับเปิดที่นครปฐมทุนห้าร้อยสองไงใช่ห้าร้อสอง มาในมณนผมประเทศผมบอกไม่ไปถ้าไปต้องเอาท่านสุขุนไปด้วยขเขาก็ไปในมณฑ์ท่านสุคุนไปด้วยกันวันนั้นปกครองการก็มากันแน่นสลาท่านให้เราเทศเทศเนี่ยพากระเต็มทั้งวัดที่เทพเ ม, ม้ามาอาจารย์ทีว่าว่าท่านจะมานีรก็เดว่าเต็มวัดอยู่แล้วคนก็แน่นเราคือเทศชั่วโมงกับหนึ่งนาที เทศไหลไปเลยนะเงเปียกมดตอนเช้ามากเขาก็จะขอให้เราเทอีกแต่ว่านกูเไม่ได้วันนี้จะเอามาบวกไปเทิดมั้งท่านกูพอฉันแล้วก็ไปเลยนี่นะไม่มีเวลาห <c oughs> น, น, นะตอนประเทศเทาอุเทนคุณบันดีเนี่ยเป็นคนขับรถ เออผูดึงนี้ไปตามทางมันก็คงเส้นชะตาของเด็กคงยังไม่ขาดมันมันดุนดันนะให้เราสะดุกใจนะขับรถไปกำลังรถก็วิ่งก่อรถเต็งนี่ขนาด ก, กุติตู้เย็นนั่นเด็กมันกระเทิกอยู่นั่นมันเล่นอยู่ข้างทางเต็มเด็กอะ่ะมีแต่อายุห้าปีหกปีเจ็ดปีนี่ยพอเรามองไปแล้วเห็นผู้หญิงคนหนึงยืนอยู่ทางด้านนี้ มีผ pues nah. nah, ู Luego, pues, man, ้หญิงคนเดียวทางด้านนี้ทางขวามือนี้มีแต่เด็กทั้งนั้นเต็มแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนทางหันหน้าทางนั้นแล้วเขาวิ่งรถไปแล้วนั่นเด็กกําลังเล่นในกรทอยู่นั้นนะเบารถหน่อยนะรังเพราะว่างั้นนั่นเด็กคนหนึ่งมันยืนทางนั้นระวังนั่นนะว่าังนั้นคือมันยืนอยู่งหน้าหมวกกวนนั่นเด็กคนหนึ่งมันยืนหันหน้ามันระวังนั้นระว่างนั้นคุณบันีก็เบารถทันที พอไปโอ้โหหน้าหวาดเกียวล่ะมันแตกเลือเกินนะพอไปพอได้ได้จังหวะเด็กคนนี้วิ่งเตื้อมาเลยนะพอดีรถเราก็เบาอยู่แล้วนี่เราก็เบรกก็เบรกพอรถหยุดเด็กก็ยืนขวางหน้านี่เลยนี่มนาะโอ้โหยืนอยู่อย่างนี้อ่ะรถก็จอดพอดีเลยมาถึงนี่หยุดเลยนะมันเหมือนก็จะควายกันก็ต้องก็ สือแล้วก็อะไเด็กนั้นยังยังยืนเถอยอยู่นั่นน่ะแม่ยืนทางนั้นมันยิงหาแม่มทำไมมันจะไปยืนอยู่กลางถนนนั่นนาแม่ผมไลยติดหูติดตานะ่ะโอยใครก็มันก็เหมือนกับอะไรหัวเสียไปตามๆกันหมดเลยผมนั่งในรถนั่งกันแต่รถมันเบาอยู่แล้วพอยิงเปิดออกมารถมันก็แบบก็อยู่เลย ทางวันแรกันจะทำเวห่งเด็กก็บเบลดูสิจะไม่หกคอเมนเต็มเต็ไปเลยแหลกไปทั้งคนทั้งรถเนี่ยแนี้ก็เราบอกเบาคุณดีก็เบาทันทีเลยอันนั้นก็บินเราเราเรไปปื้ดออกมาจริงปื้ดออกมาก็เบลปั๊บอันนี้มันก็หยุดแล้วเด็กก็มายืนขวางหน้าอย่างนั้นหน้าพอออกจากนั้นแล้วก็เอารถไปจอดตุกข้างๆแล้วก็เรียกก็เลยคุณดีก็ลงรถเลยพากษ์สอนแม่นีลูกของคุณเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าใช่ ทำไมส่งสอนลูกเรื่องบังสีว่านี่เป็นทางหลวงทางแผ่นดินทําไมจึงให้เด็กมาเล่นวิทยากะและเด็กคนนี้เห็นไหมตะกินนี่คุณเห็นไหมมันก็นั่งมันก็ยืนเฉยแบบแม่มันมายืนของหน้ารถนี่ถ้ารถไม่รอมันนีเหล็กนี่แหลกไม่มีเหลือหน้าในแนวโอ้คุณให้จํามันตั้งแต่นี้ต่อไปนักว่างพอขึ้นรถแล้วก็ไปพอเราผ่านไปมองขึ้นมาข้างหลังแม่กําลังจับเด็กหมวดิโอ้โอโอีผีบ้าไปวะจับเด็กหมวดอ่ะ ไม่เดียวหดวเองคนนั่นแนะ่ะแต่ก็ยังดีกว่าถึงมนันตายอนะ่ะฮูน้นี่อันนี้นนบาดเดียวมากผมไม่กินหูติดตานะ่ยมันเหมือนกับมันชะตาเพรมันพวกเราเป็นผู้ฉุดชะตาไว้แม่มันขาดจะบ้านไปเนี่ยขนาดนั้นมันโดนบรรดานทนะุกเรื่อนะก็บเรานี่แหละเป็นคนปากแต่ว่าเปาะหรือ่เปาะก็แล้วแต่บอกให้เราลดนั่นเบารดนั่นเด็กเล่นหรือว่เต็มหรือนั่นนะ พอไปอีกสักคู่หนึ่งก็เด็กคนนั้นมันยืนข้างๆแม่หันหน้ามาทางนี้เด็กมันก็ยืนนั่นระว่างน้ะเด็กคนนั้นดินแปลกๆเหอนเพื่อมาระว่างมันอ่ะท่นนี้ก็ยิ่งเบาลงไปเรื่อยเลยพอไปถึงจังหวะพอดีมันก็ปังมาเลยนี่นะออพูดแล้เสียวขนอ่ะถามว่าวรถไม่ได้รอถ้าเตรียมท่ารอไวน้นี่ยังไงก็แหลกมหาแหลกเลยนะจนไม่มีชิ้นดีเลยเลย วิ่งมาแล้วกานที่จะผ่านมันไม่ผ่าน ย, ยืนขวางหน้ารถอยู่เลยมันเหมือนกับว่าะชะตาของมันเหมือนกับว่าดึงลากไว้ตรงนั้นจะให้เอาให้แหลกก้นได้แต่ที่นี่ชะตาของเราก็ยังดีอยู่นี่ก็เบรคเราก็ปั๊บได้เลยเพราะมันเบาอยู่แล้วโอโ้โหมาลัตที่พอไปถึงคนครปนมือถึงขาาเพลงกเกเตรแล้วเริ่มตั้งแต่ต้น จนจบไม่มีอะไรเทศให้ขบให้ขันในพวกนี้หัวล้อกันลั่นตลอดกันเลยท่านเจ้าคุณนี่หัวล้อจะแทบล้มทตายจริงนะผมจบเพื่อนแล้วเขาก็ขอร้อว่าจะโดนจบหรือจะจบมันมันหมดดินระเบิดแล้วตรกันนั่นแล้วเนาะป้งไปเว้ลุงเงยีลุจบมา ลงมายงท่านจะคุณยังหัวยดินลมดินตายอยู่ดิปิิยวงเขาล่างมาอะไรกันผมกล่าบแล้วยังหัวยพราะนั้นนัวทุกเทอย่างนี้ก็เป็นเรือบัวเจ้าเทพนี้ก็เป็นเรื่อบัวใครบ่เคยได้เเทพอย่างนี้โอ้โหหัวเราหอแทบล่มแทบตายตั้งแต่นั้นมาเจอผมเพื่อืาหมาเทนี้ก็เป็นมาหัวเทนี้ก็เป็นเรือย ฮอก็รู้เธอบ้างไม่ใช่พ้าตายดยวนึงได้ใช้เทปแต่ลกคบขันพวกนี้มันชอบปัดชอบเบอร์เป็นมัดเดินเบอร์แล้วก็เทปจะนั่งมัดอั่งเบอร์เทศนีตลกคบขันเนะมันเป็นแต่หัวหัวแต่แต่กี่ตึ่งตึ่งอยู่ตรงั้นมัดที่หัวท่านเด็กคุ้นกับพ่อท่านเด็กคุ้นใครก็พ่อใครอันนันแรแต่มันอันดอก เท่นึงมันกัดเป็นจะมี้ขนานั้นมานเทิดถึงขนาดนั้นนะมิขนานั้นตั้งแต่ต้นกันจนจบเทวดาเท่นึงเทศนานจะนานอยู่นะทุกวันนี้ไม่ได้ดังทานดังขันมีผู้ที่น่งเทศดเราไม่เคยได้คำนึงถึงนงทังารแข่ขันนั่งกายมันพุ่งพุ่งเดนนี้ไม่ได้นะที่ดูดีอย่างเ้าเล่นขนาดนี้มันยังรู้สึกพอมันรู้สึกแย ขึ้นมาต้องหยุดกันทีหยินมันก็แยบออกแล้วแยบออกความสัมผัสกับธรรมนั้นมันออกแล้วโอ้อะไรล่ะท่านเพื่อการตั้ง อ, อกตั้งใจออกคือปฏิบัตินะตอาให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ความเพียนทุกยากขนาดไหนก็ช่างมันเจอการต่อสู้กับวิเิยะมันเป็นตัวเฉลี่ยตันไลที่สุดในหัวใจของจัดรโลก เพราะอย่างยิ่งในหัวใจของเราพูดเป็นนักต่อสู้เนี่ยเบิร์มันออกที่มันจะเป็นยังไงผลจะคุ้มค่ากันไหมกับความเพียรที่เขาเป็นเราตายเขาแลกกันนะ่ะเวลาปรากฏผลขึ้นมาแล้วตามความคิด ย, ยูจะสอนว่นั่นนะ่ะจะคุ้มค่ากันไหมฮะไม่เห็นดูหมดชีวิตไปมันก็ไม่เสียดายลวถ้าลงได้เจอผลนั่นแล้วเอออ อออย่างนี้เหลออย่างนี้เหลื อ, อเอ อ, อเวลามันดื้อดึงใช่ไหมี่มันจําไม่ลืมเเพราะที่เหลือก็เป็นศัจธรรมลืมได้ไหมเคยทุกข์เคยลําบากกับมันมาเท่าไหร่มันดื้อดึงลากเราไปต่อหน้าต่อตายนะไม่มีบากอะไจะสู้มันได้เลยต้องมี ตอนนั้นมันก็เหมือนกับไม่เหมือนตอนจิดเสื่อมนะผมจึงเช็คจึงหลาบเข็ดที่สุดเลยเพรานั้นเวลาพอได้ที่ถึงฟัดจะลงถ้าเป็นช่างกับขึ้นพองมันได้แล้วก็ใส่ลงสองมือเลยนะสับหัวลงไป ปั่นเหนี่อยใช่าความมุมมาน่าอ น, นีมเป็นมัดล้วได้เป็นมาแล้วนี่โอ้โหโมโหตัวเองนี่สุดขีดนะกิเลสในหัวใจของเราเนี่ยอคราวนี้กูเหยียบหัวมึงได้แล้วทีมึงจะขึ้นเหยียบหัวกูไม่ได้อีกแล้วมัดลงเพราะนั้นนั่งถึงหามลุ่งหามคั่มมันจึงไม่ได้ชิดคำหนึงถึงเรื่องจะเป็นจะตายเพราะกิเลสมันเหยียบเรามันทุกข์ยิ่งกว่านั้นอีกนั่นเอมันเท็ดทเวลามันเสื่อมไปแล้ว พอมันได้ที่แล้วก็ฟาดกันลงถึงข น, นาดเพื่อมัดคอติด ก, กันเลยอ้าวทีนี้ก็ถ้าจิตเราเสื่อมอีกคราวนี้แล้วเราต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นู่นนะฟังสิเพราะฉะนั้นจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้ามีชีวิตอยู่นี้ น, ะน่ะนะแล้วจิตเนี่มนเป็นจิตแปลก่ด้วยนะจิตผมเนี่มันเด็กจริงๆนะว่าอะไรเป็นนั่นจริงถ้าลงได้ลั่นลงไปแล้วมันขาดจริงๆนะมันไม่เป็นเราอะเรหล่ กูอเนี้ยก็ยังระลึกถึงพ่อตาผมเนาะพ่อของยมแม่นี่น อ, อผู้ทอดเนี่ยก็ทานายแตกนะลูกชายคนหัวปีก็คือผู้ใหญ่ลําไพที่ตายไปแล้วอันนี้ปีนนิสัยอย่างหนึ่งมันลุกดิบๆอยู่ในท้องแม่น่ะมันครัจะน่า้าปิดเอาไว้กลัวคนอื่นมองเห็นลูกมันดิ่นอยู่ในท้องเนี่ยแแม่ว่างั้นนะ มันไม่อยู่เป็นถูกวางนันลูกเด็กๆกเด็กด็ก ด, ด, ดอย่างนั้นตักตักตักตักตอยู่ใน น, น่มันพูดกับพ่อ้อพ่อเป็นไงลูกขยันมากไนั่นสิลิ่มที่กระดูกเด็ดแต่หวัวมันท้อมันเป็นตาม้ใสของมันดอกเป็นไงมันขดถ่ายดีทังแะได้เอาผ้าปิดไว้ยันคนเห็นแมวมันดิ่นจนนั่นข้องห้ามีกระเทือนไปนุม่มๆนุม่มๆนุ่มๆเตี้ยไนะคนนั้นเป็นยังไง ه, สายไปนั่นทำามเตอะที่พอมาถึงเรานี่คนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นบางทีให้พ่อมาข้าให้เราพ่อพอมาค้าบึงทองเยนะใจอะไรวมันลูกขาตายแล้วอ่พอมาข้ามบึงทองหัวมือไปยังดอกว่ามันบดดิ่นนีจ๊ะทางเทมันดิ่นดุดดุดดุลาเวลามันดินบางทีจะเก็บข้าวมาได้เลยมันบดดินธรรมดาได้ดินจนเก็บในท้อง <Wes drinking hil Rent> เวลามันเงียบเงียบเหมือนคนมันเหนมือ น, words, erm ikal, นตายแตจงเดียวนี้มันเงียบเงียบามันมันตายแล้วว่าถ้านอนมือทานนี้เมือยังก็บ้าไปล้วิดอนท่านเลยว่ามันตายแล้วว่าตายทอเนี่ยก็เป็นอีกอะไหนึ่งมันเป็นเรื่อยแล้วจนกรทั่งทงทานนี้บุญบอว่าจะคลอดอีกแล้วนี่มเจ็บข้าวาสัน้ามือมันก็บอกคลอดเด้อดเลยมันเจ็บยันเปนเจาให้ลงให้ตายแล้วหายเงียบไปเลยทีนีฮาเขาเป็นเสนว่ามันจะ ออกแ้มันบอกออกมันเป็นสัตว์มันมันตายบอหายเงียบไปเลยมันบตายทอขอัอมันนอยเงียบไปจริงค่เหนี่ยวเวลาบินมาอีกน่พอเป็นพอแตกเรือผู้ต่อท่าหกท่าอันนี้คึ้นมันลูกท่าอู้อันนึ่งพิลกขได้เถ้ามันไปทางไหนนะขาดเลยใจใจสาคัญมากนะ ใจนักแนนหึงหวาคนบ้าใจนักแนนทำมันไปทั้งชั่วนี่ก็โอ้โหเสือลายตัวนี้นสูงเท่าไรดอกมันต้องเป็นจอมเสือแล้วมันไปทั้งดีนี่ก็เอาเถอะเอาเถอะแถวท่าแหนันเหรอแล้วก็เป็นดีหรอที่สายห้องเป็นเงินยังพรถ้าอยู่ดิ้นทำอย่างนู้เป็นนันนี้ เป็นเงินน้ากันยังไงทำงานน้ำกันเล่นเห็นนั่นทำนั่นได้แน่นอนหนึ่งหลยแลนี้แล้วทาอะไรไม่ได้เรื่องก็รับจอมจงนี้แล้วแต่อะไรไม่ค่อยได้เรื่องก็ับก็หายไปแี้วเล่าเหมือนเดิมจันทะล่มในจับเราลดนแล้วรนราย่างานนี่พกจิตร์พ่อแถึงพ่อแม่ฉันได้บาใจเรื่นงการงานไม่ต้อ ง, งมืล้ เขาลงในปล่อยเห็ดเราตอนนั้นเขาลงในรันคั่ไม่แน่เป็นไม่ถอยแต่ปล่อยเลากปล่อยเลยถ้าได้จับปั๊บเราก็ยังถุงดูท่าอย่างถุดยยงถด้วย <S <S 1> <S 1> ใส่เราไม่ว่าไหนกิ น, นดินอะไรก็ทางกินแต่เราเคยได้เห็นกันเวลาประกอบความเพียรไม่ลืมนะบ า, างขรั้งถงม้อ ก, กันดิน ตายท่านไม่ตายให้ลูกมิถันนั่นถอยไม่ได้เลยถอยก็ให้ตายเลยเดียวไม่ก็ถอยไปไหที่ก็ลงมมาถอยลายตายมันหมดราคาโคตรมุ่ามิตราจก้มปิงยู่ให้นักศาสนาทำไมมันไม่มีทางไปไม่ไมีตะหมุนขอมุนขอนั่นแหละปัญญามันเกิดคนเราเวลาจนกรอกแล้วมันไม่ได้งงอยู่ตลอดเวลานะเวลาจนกรอกแล้วมันหาทางฟิกตัวเองเพื่อหลุดพ้นไปได้เพื่อตัวรอดไปได้จนได้แหละ ปัญญามันเกิดตอนนั้นทุกบบข์ก็มาโหมก็มาหมก็มาทั้งทุกข์ทางกายทางใจเลยกิเลสทั้ง ฟ, า, ง ฟ, า, งฟาดกันเลยเหอนแหลกไปมันหาทางออกมันจะได้เหมือนเหมือนกับว่าหัวแห่ที่หนึ่งมันจะตา ย, ยาจริงๆฟาดกันเพื่อพ่อได้่อเพื่อเพื่อเพ่อเปื่อเพื่อเพื่อเพอเพื่อเอเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อ่อเพื่ สุขภาพที่เหล้วมีนั้งมากเวลาปัญญามันออกเดินนี่ก็โอ้โหไอ้มันอะไรมันเป็นไป้วยความ ด, ดืดอ ม, มันนบางอย่างเป็นไปด้วยความการบังคับในตามตามขั้ น, นขั้นบังคับต้องบังคับกันการบังคับก็เป็นมัด การมุ่มานะเอาเป็นมากไม่ใช่เป็นยิเล็กเช่นอย่างโมโหเจ้ของกับเจ้าของกระหม่อมนั่งยิ่เหล็เจ้าของเนี่ยนี่มันเหมือนกับว่ากัดฟันเหมือนฟันขาดตฟันหักไปโน่นนะเวลามุ่มมานั่งมันแต่ก็นยิ่งเล็นี่จึงเป็นมากพลังมันแรงพลังทางฝ่ายดีมันแรงเป็นมากความอดความทน มุ่งมานะเหล่านี้เป็นมกักเท้งนั้นไม่มีกําลังใจชูมไม่ได้กําลังใจกําลังมัดฟาดกันไปฟาดกันมามนถึงขั้นมันลืมวันลืมคืนลืมมื่อดืมแจ้งนี้มันก็มีเหมือนคือมันไม่ออกเลยจิตมีตะมุนติ้วติ้วอยู่กับพี่เล็ฟาดกันอย่างนั้นสั่งเดินอยู่กรมเยือนออกร้อนปัดเท้าแต่ไม่ถึงก็ปาดเท้าแตกนะผมนะ พอมาหยุดนะถึงรู้นะในขนาดที่เดินไม่รู้ว่าอะไรร้อนอะไรหนาวอะไรทุกข์ไม่ทุกข์เพราะจิตมันหมุนอยู่กับวิเลรฟัดหมุนกับวิเตแต่เวลาหยุ ด, ดมาหยุดนี่โอ้โหออกร้อนฝ่าเท้านี่เหมือนถูกไฟรนหนึ่งแล้วมองเห็นกาลน้ำอุ้ยมันจะโดดมันเหมือนก็มั น, ม, น, ม, นมันจะตายจริงๆมันหิวน้ำ มลินใส่กึกกึกึกไปสำลักกรับกรดับกรมันจะตายมันหิวน้ำตอนนั้นมันไม่ได้มีอะไรนี่มันได้กินน้าอย่างทุกวันนี่นะทันเสร็จแล้วก็ทันน้ําแล้วก็ทานน้ำนี่ความเพียรมันหมุนนี่มันนี่หมายถึงว่าระยะที่ความเพียรมันหมุนมันเอาาชนัะจริงดื่มเป็นมดมาฟูบุรีเยอะสงสว่ามันจะมายุ่งเธอเหมือตี้ยวเตี เวลามันหมุนของมันผ่อนจนจะของจะตกนะโอ้โหมันเมื่อไหร่มันจะไดหยิดได้สบายสักทีจิตใจเราคิดเอาค่าแล้วมันผิดทั้งเพลงความคิดค่ากับความกินมันไม่เหมือนกันคิดว่าจิดตละเอียดเข้าไปละเอยดเข้าไปยิ่งจะมีความสบายไปเรื่อยเรื่อยเราคิดไปอย่างนั้นจิตมีความละเอียดลอเข้าไปจะอะก็ยิ่งสบายไปเรื่อย เวลามันเข้าขความปีนเป็นความปินแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนัน้นนี่อยากบัตสลับมันยิ่งฟัดกันยิ่งหนักก็คือว่าความเห็นโทษมันมากจิความเมตคุลมันก็ามากความโทษความเมตคุลมันเข้ากันเห็นโทษของกิเลสกันหาีก็เห็นมากเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นมากเรื่องนั่นที่พาให้หมุนก็มิตรเจ้าให้หยุดให้หลุ ด, ใ ห, หดให้พ้นให้พ้นแล้วมันจะมารอตัวได้ยังไงหมุนติ้วจี าข้างเดินถึงมันจะตายทีนงก้อ่อนเพียงมดในเนี่ยในวงข้างในก่อนเราคิดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นกินนิโคไลเสร็จแล้วอเอาไปาก็ยิ่งจะเบาไสบายกปนี่นี่ทำไมจึงกลับยิ่งเพิ่มขึ้นมันเบาอะไรมันยิ่งหนักท้ามเป็นอย่างนั้นเพราะเราวอาทีตรงนี้ พออยู่ที่ตัวภาพมันก็พันกันอีกแล้วนะเพรามันเป็นไปโดยอัตโนมัติเนี่ยหมุนติ้วเขอยู่แล้ว <c oughs> คิดไปช่วงขณนะเหมืนติว้วตลอดลุ่งบางคืนไม่ได้หลับเลยมันก็แปลกนะมันไม่เอาไปเฉยๆคือมันฟาดกันอย่างนั้นนะ่ะงานนั้นไม่ไม่เสร็จไม่สิน้นไม่เข้าใจมันไม่ถอยนีหนึ่งจะเอาให้เข้าใจจะเอาเอาให้ขาดไม่ขาดไม่ถอย นั่กันนั่ ง, น, งนอนมันก็พนีน่าเหมือนนั่นมันก็ไม่หลับเอาเส้นก็ไม่หลับก็ไม่หลับสินั่งเป็นไงมันนั่งฟาดกั น, นมันก็ไม่หลับสุดท้ายก็แจ่งโคโล โ, โอกลางวันมันยังไม่หลับอยู่นังฟาดอยู่โอ้ไม่ไหวจะตายแล้วนี่มันมีทางไปก็พุโทโธเข้ามามัดเลยคือ พุทโธมาภาวนะพุทโธพุทโธแม้มันคิดมันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธขี่ยิบไม่ให้มันออกออกัออกไปทางานนะยังไงทั้งพอพุทโธก็ขี่ยิบไม่ยอมให้มันคิดมันปลุกไหมบังคับไปนะมันออกไปทำงานั้งมันไปหางานของมันแต่ที่จะให้มันปลงเพื่อเมนุษย์มันไม่ตายนั่นนันหมายถึงว่ามันเพลินในงานของมันพอพุทโธพุทโธก้อนงานอันนี้มันเป็นงานเพื่อสงบ ความตุงมว่าพุทโถพุทโธตทนี้เป็นงานอะ่างสงบแน่วบงโอ้โหเหมือนถอดเสี่ยนถอดน้ำนะเบามดทั้งร่างกายจิตใจเบาไปพร้อมๆกันมัดืุทโธพุทะเอียดลเอียดวปแนวบางครับไไ้นั้นไม่ได้นะถึงลงเนี้ก็ต้องบังคับไว้ไม่งั้นมันถอนออกมาปัดกันอยูต้องบังคับ กล้ก็หายเหนื่อยสบายพอเห็นว่าสบายแบบนี้ปล่อยละเ พ, พรปล่อยละผึงนี่ก็ใส่กันเลยตูมเลยทีนนี้ขาดสะบัน้นไปเลยนั่นนั่นละสมาธิกับบรรดา ม, มันมีความจําเป็นต่อกันอย่างนั้นเป็นหลักธรรมชาติเป็นประสบการณ์เองนี่เห็นได้ชัดอ๋อทาํานเป็นไงเข้าสมาธิเวลาเหนื่อยแล้วให้เข้าสมาธิในหนังสือท่านบอกว่ามีกำลังแล้วเข้าสมาธิเพราะมีกำลังแล้วพิจารณาว่ามัน หยิ New ่ออนเพียวแล้วก็ให้เขาให้เข้าสมาธิแต่มันมันความเพลินมันเกินตัวนี่มันไม่สนใจจะเข้าสมาธินอกจากว่าใครสมาธิมันนอนตายเฉยไม่ใช่ฆ่ากิเลสเลยนะเนี่ยออกปัญญามันเห็นเนี่ยฆ่ากิเลสขาดเป็นพักๆๆไปมันรู้แน่อุท่าระฟังนเข้าสมาธิเนี่ยที่ว่าอุทจจมันฟุ้งมันเพลินในความเพลินเพลินปในการพิจารณาจนไม่ มีรแลมียาไม่รู้ความพอดีมันก็ผิดตรงนี้ที่ว่าอุทจักมันเผอในความเปลี่ยนอุทจักความฟุ้งซ่านแล้วไปอะไรข้างนอกโอ้มไม่ตายแ้วทางปริยัตแปลแปลแบบ น, นั้นนะนี่จึงทำให้เห็นผู้ที่จะตรวจจัลึกนหนังสือเหมือนกันเป็นคนข่านใดภูมิใดปริยัตินี่ก็เป็นเครื่องวัดของ ผู้แต่งได้ไดีดีแต่ขอให้เราเป็นนักปฏิบัติเถอะรู้ผู้แต่งปัญญานี่เป็นผู้มีภูมิใดในธรรมทั้งหลายมันบอกในตัวมีภูมิอาจมน ท, ทํามทางด้านปฏิบัติแล้วจะเข้มข้นธรรมดาเ ป, เป็นเพื่อเป็นความจำธรรมดานี่มันก็ไปอย่างไั้เลยอุทาจฉาความพุ่งสร้าน มันก็จะหมายว่าความฟุ้งซ่านโลกไปไปนันหนึ่แต่ น, นี้ไม่เป็นนั้นมันฟุ้งไปกับงานนั่นเอมันชุนลมุลนร่วมวัยกับงานมันเคินตัวในงานอย่างที่ว่าเอฮิปฏิโกนี่นนี่อันนี้ขัดกับหลักปฏิบัตินะนครับความนิสัยงผมเอเอปติโกนย่อต้องเรียกคนอื่นมาดูได้ทาของจริง ไปต้องเรียกใครมาดูเขาจะหาว่าบ้านันคำว่างกินที่ไหนอืรถ้าเป็นพวกพี่เจ้าทั้งสอนพวกเราเนี่ก็บอกว่าท่า น, นท่านเหล่าเนี้ยอ่มตรงย้อนจิตเข้ามาถูกภายในคือของจริงอยู่ตรงนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้หน้าอเอีหิคือตามหลักพระย า, ย ท, าท่านว่าหินั่นแนะ่ะให้ขึ้นตวังกิริยาหิติอันติี่ถานิมาเตนเ ต, นเตนเสหอนีอ่ มันบอกไว้ในหลักติก็บอกบุคคลอันติบุคคลทั้งหลายคนหรือสัตว์ทั้งหลายติคนตัวเดียวหรือสัตว์ตัวเดียวติอันติสิไทยมะสิก็แปลว่าออกท่านหิออกท่านเป็นเอกภพน์ี่เอหิห น, หนั่นหินตัวนี้เป็นกิริยาให้ขึ้นตะวังตะวังก็แปลว่าท่านหรือเธอ นี่เราตีความหมาย้ว่าเรียกน้องเรียกคนอื่นมาดูได้อท่านจงมาเรื่อยๆท่านจงมาดูธรผมเหงือนไปนอ้องๆมัเสียถ้าปฏิบัติจริงไม่ได้ไปอย่างนั้นถ้าสมมติว่าพระเจ้าสอนสาวกหรืออย่างที่ผมสอนท่านทั้งหลายนี่ก็ท่านทั้งหลายจงย้อนจิตเข้ามาดูที่นี่สินะคือบอกในวงผู้ที่สอน้ให้ดูดูจิตตัวเองนั่นสิเข้ามาดูจิตตัวเองนั่นสิชมมันออกไปข้างนอกทำไม่เอหิ มย้อนจิตเข้ามาย้อนจิตท่านทั้งหลายเข้ามาย้อนจิตท่านเข้ามาดูตรงนี้ที่ของจริงที่นี่หนักถูกกับวงปฏิบัติไปนั่นเลยทลนี้เราสอนเราอะไรนะนนะที่เราถ้เาเข้ามานี่ที่เนี่ยพูดง่ายวาเป็นว่าไปไหนวะาวางั่นถ้าเราสอนเราทำาองจริี่นี่ไมไ่หมายถึงว่าเรียกคนอื่นที่ไหนให้มาดูทำของจริง เขาจะหาว่าว่านี่เราปฏิบัติไม่มีปีกนี้แยะกันบ้างเป็นความถนัดอั่งนี้แน่ใจอย่างนี้ด้วยนะเป็นโรงพยาบาใหม่ไม่ใช่โรงพยาบการติดติโก้แค่ น, นั้นแหละจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองนถึงย้อนเข้ามาเถอะเข้ามานี่อยส่งไปข้างนอกส่งไปเพื่อเพลินไปกับอะไรดูนี่อิความหมายวนะัย พูดตรงได้ปฏิญาติกับปฏิวัติมันมีปีกมีแยะ ก, กันไปเข้าร่วมกันแล้วก็ออกแยกกันออกนะแต่ยังไงก็ตามมันไม่สงสัยตลุนภาพปฏิบัติคือภาคความจริงประสบพการเองน่มันชัดอย่างที่ว่ามัชฌิมาปฏิบัติานี่มัชฌิมาปฏิบั ต, ต, บติเดินทางสายกลางไม่ยิงนะไม่หอนนทั้งสิ้ เดินยังไงเดินไม่ยิ่งนั่งมาหยอ่อนนั่งเดินยังไงนะความคาดความหมายความจําบองมันก็เหมือนกับเราเรียนวิชานักรบด้วยกันสองคนทหารเรียนวิชานักรบด้วยกันสองคนเต็มภูมิด้วยกันนั่นแหละแต่คนหนึ่งได้เข้าสู่สงครามเข้าสู่แนวรบกับคนหนึ่งไม่ได้เข้าใครจะพูดได้อย่างชาญฉานก็กันก็ผู้เข้าสู่สงครา ม, มนี่เป็นผู้ไปเจอความจริงซะเอง วิถีลบยังไงควรใช้สตราวุธประเภทไหนกับค่าสูตรชั้นประเภทใดผู้เป็นนักลบนั้นนะ่ะเป็นผู้รู้เป็นผู้ใช้สาราวุธที่จะลบต่อค่าสูตรผู้นี้เป็นตวัวเบความจำําไม่ทราบค่าสูตรเป็นยังไงนละจะควรเอาอะไรไปใช้ให้เหมาะกับการปะค่าสูตรในเวลานั้นนี่ผู้ที่เข้าแนวลบนั่นแหละ เข้าสู่ในรบแล้วนั่นแหละมาพูดพูดได้อย่างฉานและพูดตามความจริงถูกต้องตามความจริงไม่ผิดเพราะเป็นประสบการณ์มาเองทั้ภาคปฏิบัติก็อย่างนั้นเหมือนกันปริญาตก็เหมือนกับว่าเราเรียนวิชานะกบกิเลสนั่นแะเป็นอรมณ์กิเลสแต่ไม่ได้เข้าปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อได้เข้าแล้วมันเป็นยังไงคําว่ามัชชิมาเีรานี้กิเลสประเภทนี้แสดงตัวขึ้นมาเราจะควรปราบมันด้วยวิธีใดนะเมื่อมันประสบขึ้นมาแล้วมันจะถอยได้ยังไง เข้าแนวลบไปแล้วถอยตายเราจะควรใช้อุบายวิธีใดที่จะเหมาะสมกับพี่เดประเภทนี้ประเภทหนักประเภทดาวประเภทผ่าผลเอาที่นี่จะใช้อุบายวิธีใดที่จะปราบกับประเภทเหล่านี้ได้นั่นแหละธรรมมัชชิมาเครื่องมืออะไรอุบายวิธีใดที่มันปราบมันอยู่มันอยู่มันด่ไปได้โดยลำดับๆนั่นแหละเป็นแบบมัชชิมาเหมาะสมเหมาะสมนานมันถึงรู้ได้ชัด ไม่ยิ่งนักวมญญาณนักอะไรนี่คิดเหตุผลมาก็ต้องผลอะไรกันดิอืมนั่นมันเหมาะกันอยู่ตรงนั้นหมือถึงขั้นคินดเหตุยาบความเพียรต้องเอาอย่างหักโหมเต็มที่ถาดผลเต็มที่เย่เขาขั้นละเอียดความเพียรก็ละเอียดไปตามละเอียดไปตามจนละเอียดยิ่งเหมือนน้ำซับน้ำสึมนะมันนักเป็นนะครับพอดีพอเหมาะกันในขณะที่ปฏิบัติอถ้าลงได้เข้าสู่สงครามคือการปฏิบัติแล้ว มันจะเจออย่างนั้นเจออย่างนั้นและแก้ไปวิธีนั้นนี้นแล้วจะพูดได้อย่างชัดเจนเวลาออกมาพูดเพราะเรารู้ได้อย่างชัดเจนเนี่มันผลิกกันกับกระภาพความจําเปไหนไหนนี่เรามามัจนาปฏิปท า, าแล้วจริงๆให้ถนัดปากของเราเนี่ความเหมาะสมมั้งนั่นเลยอทำนี่ทำเหมาะสมกับการปรับยุทเดทุกประเภททำมีพร้อมแล้ว จะควรนำทำประเภทใดก็ามาปราบกิเลสประเภทใดชนิดใดเหมาะแล้วขอให้นำมาให้มันถูกต้องเถอะน่ะเรียกว่ามัชชิมาเห็นไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักเดินทางสายกลางไม่ทราบว่ากลางขนาดไหนกิเลสมันก็มีมัชชิมาเหมือนกันกันกบเราส่วนมากเราดํเาเพ็ญธรรมก็ตามมัดํจะเดินตามหลังกิเลสใต้ใต้ใต้ใต้มัชชิมากิเลสมันลากเราไปอืม ทำมากโอ้ยเหนื่อยน่อยทำไงมันจะไม่เหนื่อยก็พักผ่อนซะก่อนที่มัชชิมาตรงนี้ห น, ะนะักนักวางพอทุกเกิดขึ้นมาบ้างโอ้ยนี่ไม่ไหวแล้วตายซะ ต, ตายนี้เดี๋ยวความเพียนเราเดี๋ยวจะชูกิดเลสจะไม่ได้แล้วจะตายซะก่อนในนั้นทำไงก็แล้วก็ให้กิเลสฆ่าซะก่อนตายซะก่อนดีกว่าไม่คิดที่ตรงนั้นแล้วก็ครอบนว่วาง น, นั่นนหละมัชชิมาขงกิดเลสทุเนมากมีเป็นดำเนินไปตามมัชชิมาของกิดเลสทำงาน ไม่มัติมาของธรรมถ้าเป็นมัติมาของธรรมอาที่เลสผลนะก็ผลสักการเ์ด้วยขนาดไหนนี่รอไม่ได้แล้วนี่เมื่อถึงขั้นที่จะถอยไม่ได้แล้วนี่มันมันก็ขยับเท่านั้นเลยนั่นมัติมาของธรรมแต่มัติมากิเลสเนี่ยโอยไปไม่ไหวแล้วนี่ต้องพักก่อนพักให้สบายซะกก่อนมันไม่เลยสบายเลยทีนจนถึงขั้นตายข้าวข้าวมันจะเดิปุูกมากินข้าวมาจันทร์ย่างหันนั่นเปพิรุษมัติมาแบบนี้ โอ้ยมันสนุกเนื้เรื่องความแย้มความยุ่งยมันขนาดนั้นนะถ้าไม่าดทำมันลงแหลกไปซะก่อนมันไม่เห็นน่ะมันไม่รู้ไม่พูดมันเรื่อ ง, องมันได้อย่างเต็มปากทั้งด้านยุ่งยิ่ทั้งด้านธรรมนะเยขอให้รู้เรื่องของมันปราบมันให้มันเรียบร้อไปถึงพูดได้หมดเต็มปากของเราเต็มภูมิของเราทั้งด้านธรรมะทั้งด้านยุ่งยิ่ อี่รู้สึเนอยแล้วโอ้โหเวอรพอสบาสบายขึ้นมาอี้นี่เอาอี้ว่าก็ไม่อะไรละเดินะ